วันนี้ตรดกันบ้านคนจีนกี่คนยี่สิบเชียวหรอ <c oughs> <c oughs> อะ <c oughs> พวกอยู่วัดก่อนไม่ไม่ทราบเหมือนกันดูมันนิ่งๆอะคะ่ะดูนิ่งก็ต้องคิดพิจารณาพิจารณ า, าร่างกายพิจารณาชีวิตเราอะไรเงี้ยให้เห็น เรื่องไม่เทียงเรื่องบังคับไม่ได้นะอย่างคนที่เรารู้จักก็ล้มหายตายจากไปเลยญาติผู้ใหญ่ของเราก็ล้มหายตายจากไปคนรู้จักก็ตายอะไรย่งเงี้ยพินาไปเรื่อยๆนะ ค, คิดเลยค่ะคิดแล้วเมื่อวานเดินเดินอยู่รู้สึกเหมือนแบบไอ้ตัวที่มันเดินอยู่เป็นใครก็ไม่หนุเออนั่นแหละอย่างนั้นน่าดีอย่างนั้นมันเกิดเอง เกิดเองถ้ามันเฉยเนี่ยต้องคิดพิจารณาครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเวลาจิตไปติดนิ่งติดเฉยคิดพิจารณาเข้าไปใช้การคิดเป็นการคิดนำให้จิตมันเคลื่อนไหวทำงานเดินปัญญาเราไม่ได้คิดสเปดสปาเราคิดว่ามันเป็นใจลัก ร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรคิดซ้ําไปซ้ํามาตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล้ขึ้นไล่ลงตามอ ว, วัยวะต่างๆทีละส่วนมันจะทําให้จิตเคลื่อนออกมามองไตรลักษณ์นี้ถ้าจิตเห็นไตรลักษณ์ได้เองแล้วไม่ต้องคิดให้รว้เอคนละ ข, ขั้นกันจิตชอบพยานออกไปข้างนอกค่ะ ก็มันชอบนั่นแหละถูกแล้วแล้วก็เห็นความอยากที่แบบมันมีความอยากความไม่อยากให้รู้ทันไปทำนั่นทำนี่เหรอส่งเกตไหมไม่ว่าอยากหรือไม่อยากก็ทำให้ใจกระเพื่อมใจดิ้นรนมีแต่ทุกข์เท่านั้นเลยความอยากเกิดเมื่อไรความทุกข์เกิดมานั้นนะดูไปเรื่อยๆดูจะมนเข็ดนะถ้าทำไงถึงจะเลิกอยากต้องเห็นความจริงของกครของใจ อย่างความอยากเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรูท้ทานแล้วมันดับเนี่ยมันดับด้วยสติหรือความอยากเกิดขึ้นเราทําไม่รู้วิ่ชีทําจิตให้สงบอันนี้ดับด้วยสมาธิอยู่ได้ชั่วคราวสติกับสมาธิดับด้วยปัญญาที่จดับอย่างแท้จริงเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจแล้วมันวางเองเอ้าว มันก็รู้สึกเหมือนรู้สึกตัวได้เนืองๆอยู่ค่ะแต่มันก็เห็นหลงตีคิดกับอย่าให้เหลือตัวนิ่งอยู่น ะ, ะอย่ายประคองตัวผู้รู้ให้นิ่งเนี้ยยังติดอยู่ยังติดอยู่ใช่ดวกป่าบางทีมันรู้สึกมันผิดธรรมชาติะะใช่ถ้าเมื่อไหร่ผิดธรรมชาติเมื่อนั้นปลอมๆน ะ, ะของดีที่สุดธรรมดาที่สุดหมดเอาคนจีนยี่สิบคนว่ามา ย0คนยกมือซิยี่สิบคนตรวจทีละยี่สิบเลยก็ได้นะเพื่อความรวดเร็วปัญหาเขาคือเวลาจิตที่หลายไปเขารู้ไม่ทันจิตกรรมารู้สตวัวแล้วจึงรู้ว่าใจหลงไปถูกแล้วต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนลเลยเต้องหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลง รู้พร้อมๆกับหลงเป็นไปไม่ได้จิตที่หลงเป็นจิตที่มีกิเลสมีความฟุ้งซ่านจิตที่รู้เนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลมีสติไม่เกิดพร้อมกันงั้นหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ใช้ได้แต่อย่าให้หลงนานหลงไปทั้งสามชั่วโมงแล้วรู้ทีหนึ่งอะไรนี้นานไปหน่อยหลงเร็วหลงแล้วรู้เร็วๆเท่านั้นแหละฝึกเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้น ่หลวงพ่อตอนก่อนจะมาบวช น, นะจิตเคลื่อนปุ๊บเนี่ยเห็นแล้วเคลื่อนปุ๊บเห็นแล้วนกะานภาวนาสบายไม่มีอะไรมีแต่ว่าจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตหลงไปเกิดแล้วก็ดับนะสุดท้ายก็เห็นทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปหมดอนะ่ะเอาคนต่อไปเขาอยากคนให้<ไ>คนนี้ดีกว่าเก่าแล้ว เขาเริ่มรู้ตัวแล้อให้เขาพูดไก่อนลืมไปเราจะรีบตรวยกันบ้าน <c oughs> เ, าเลาาเขาอยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่าตอนนี้เขารู้สตัวตึงกับหย่อนไปครับเ ด, ดินไปหรือว่าหยมโอนไปครับทั้งตึงทั้งหย่อนแหละเวลาตึงก็คือเราบังคับมันไว้กลัวจะหลงะแล้วเราบังคับใจให้นิ่งๆเวลาหย่อนก็คือตอนที่มันหลงไปอ่ะ งันจิตเนี่ยทั้งวันอ่ะเดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนไม่คงที่เพราะมันไม่เที่ยงนะให้คอยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยตึงก็รู้หย่อนก็รู้เวลาหย่อนคือหลงไปคิดก็รู้นะเวลาตึงก็คือรักษาความรู้สึกตัวอยู่ใจมีเอย่าแน่นแน่นก็รู้ทันเราจะเห็นเลยจิตทุกอย่างไม่ไม่เอาเราไม่ได้เอาอันใดนหนึ่งนะจิตตึงก็ใช้ไม่ได้จิตหย่อนก็ใช้ไม่ได้ทุกอย่างเท่าเทียมกัน อย่างเกิดแล้วมันดับไปไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยจิตไม่ใช่ตัวเราคนนี้ปัญญามากนะให้ดูอนัตตาดูในมุมที่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราคนต่อไปคนนี้มีปัญหาอีกข้อหนึ่งขอหลวงพ่อช่วยตั้งฉายาให้เขาเพื่อเตืนเอนให้เขามีกำนันใจภาวนาต่อไปครับ <laughs> นังฉายะชื่อห ง, งอคงก็แล้วกันห ง, ง, ง, งอคงมีปัญญามากอย่ามาถามคนต่อไปอย่ามาถามนะหลวงพ่อรู้จักชื่อจีน่ไม่กี่ชื่ อ, อคนต่อไป นั่งได้เขาจะใช้สอนใจตัวเองว่าสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราคือเขาจะใช้ตัวนี้เป็นเป็นหนักครับทำบ่อยเขาอยากจะรู้ว่าอันนี้คือมีเจตนาไปแย่ยรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ถูกต้องหรือเปล่าเขาควรปรับอะไรครับอะไรนะไม่เข้าใจคำถามตอนท้ายฮะคือเขาอยากรู้ว่าเขาอันนี้ มีเจตนาไปแย่รู้กับสิ่งรู้เขาอยารู้ว่าแบบนี้ทําถูกต้องหรือเปล่าเขาควรปรับไหมครับถูกต้องนะเราคอยดูไปเรื่อยๆตอนนี้สิ่งที่ทํารู้ก็ถูุกรู้อะไรแต่เกี้ยหน้าที่ว่าหลวงพ่อลืมไปแล้วเราจงใจไปทำํำมันได้สมาธิขึ้นมาจิตเรามีสมาธิมีความสูงมีความสงบนะต่อไปเราก็เรียนรู้ความจริงเข้าไปอีก ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูไปเรื่อยๆทีแรกอาจจะคิดนาต่อไปไม่ต้องคิดดูของจริงๆความรู้สึกจริงๆที่เกิดนะมันเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแหละตอนนี้ที่คิดนะมันช่วยให้เกิดสมาธินะจิตดีจิตมีสมาธิดีแล้ว ต่อไปก็ปล่อยให้กายให้ใจนี่ทำงานเราดูความเคลื่อนไหวดูความเปลี่ยนแปลงของกของใจดูเหมือนดูคนอื่นนะดูแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราดูให้เห็นจริงๆไม่ใช่แค่คิดคนนี้ภาวนาดีนะอโอเคน้าวคนต่อไปคนจีนรอบนี้ เก่งกว่ารอบก่อนนะเึ่งใช้ได้หลายคนเลยเอเขาสามารถรู้ว่าตัวเองโง่หรือเปล่าแต่เขาไม่แน่ใจว่ารู้เสด ต, ตัวแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าเขาอยากจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อ ห, หรู้สึกบ่อยๆไปหลงแล้วรู้บ่อยๆนะถ้าสงสัยว่าที่รู้นี้ถูกหรือเปล่ารู้ทันว่าใจกําลังสงสัยรู้สิ่งที่เกิดเป็นปัจจุบันในใจเราไปเรื่อยๆ ไม่ผิดหรอกใจสงสัยก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้เราไปบังคับใจให้นิ่งๆอย่างขนาดนี้เราบังคับใจให้นิ่งๆก็รู้ว่าเราบังคับอยู่บังคับแล้วม่นจะเฉยๆแใจมพอก็ตื่นเต้นเใจมันก็ตื่นเต้นรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่าง อยู่ชั่วคราวเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะดูอย่างนี้นะเอาต่อไปเขามีอีกข้อหนึ่งเขาถามว่าเวลาเขาเวลาฟังเพลงใจจะตํามเพลงจะมีสุขกับทุกข์เขาอยากจะรู้ว่าอันนี้เือว่ามีมีสติไหมครับฟังเพลงนะแล้วใจเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วรู้ทันหรือว่ามีสติใช้ได้ตามองเห็นใจเป็นสุขเป็นทุกข์รู้ทันใช้ได้หูได้ยินเสียง ใจเป็นสุขเป็นทุกข์รู้ทันใช้ได้รู้ทันจิตนะอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติอยู่ใช้ได้แต่คนนี้ยังติดประคองจิตให้นิ่งๆอยู่นะเดี๋ยวไปให้อาจารย์เขาแก้ให้ไปรักษาจิตนิ่งๆอยู่หน่อยไม่มากคนต่อไป เขาอย่าถามว่าแค่ดูจิตที่ไหลไปไม่ตรงแยกสภาวะคืออะไรสามารถใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไม่ต้องรู้ว่าชื่อสภาวะอะไรนะจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแลรร้วรู้แค่นี้แหละศีล ส, สมาธิปัญญาจะเกิดได้ทั้งหมดเลยเวลาจิตไหลไปแล้ว เ, เราไม่รู้ทันกิเลสจะเกิดเราจะทําผิดศีลได้จิตไหลนะไหลไปก็เพราะว่ามันไม่มีสมาธิพอเรารู้ว่าจิตไหลนะจิตก็มีสมาธิไม่ไหล โดยที่เราไม่ได้เจตนาต้องไม่เจตนานะถ้าไหลไปแล้วรู้จิตมันจะมีสมาธิโดยไม่เจตนาจะรู้สึกตัวขึ้นมาตั้งมั่นแล้วต่อไปเราจะเห็นบ่อยๆจิตรู้ก็มีจิตไหลไปสลับกันไปเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเนี้ยต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงไปก็ไม่เที่ยงนะจิตที่ไหลก็ไม่เที่ยงจะเห็นแตว่าจิตทุกอย่างเนี้ยเกิดดับ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงฝึกแค่นี้ก็พอเวลาเขาทำรูปแบบจะดูลมหายใจแต่รู้สึกว่าไม่ไม่มีความสุขความคิดเยอะเขาอยากจะรู้ว่าวิธีนี้เหมาะ ก, กับทำสมาธาิไหมครับที่เขาฝึกอยู่สมาธิเขาก็เพิ่มขึ้นนะเพียงแต่ว่ามันไม่เร็วอย่างที่ใจอยากเท่านั้นแหละ ไปฝึกต่อไปทำได้แต่ถ้ามันฟุ้งซ่านมากหายใจแล้วสู้ไม่ไหวเลยบริกรรมไปเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปได้พุโทโธเป็นความคิดเราจงใจคิดคำว่าพุโทโธนะเพื่อไม่ให้มันไปคิดเรื่องอื่นเวลามันหลงไปคิดเรื่องอื่นนะเราจะรู้ว่ามันลืมพุโทโธไปละมันหลงไปละเราจะรู้ได้เร็วแต่ของคนนี้ใช้ลมหายใจได้ ลมหายใจค่อยๆฝึกไปแล้วไม่จะค่อยสงบเองฝึกมาใช้ได้นะที่หลวงพ่อพอใจก็คือไปรู้ลมหายใจโดยที่ไม่เข้าไปจ้องลมหายใจใจมันจะโปร่งโล่งเบาขึ้นม า, าคนต่อไปเขาอย่ารู้ว่าเขาภาวนาถูกต้องหรือเปล่าเขาควรปรับบงอะไรครับ เวลาใจมีความอยากอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันใจที่อยากไปเรื่อยๆความอยากมันจะเกิดทั้งวันเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังอยากดมกลิ่นอยากกินอาหารอยากรู้รสอะไรอย่างเงี้ยอยากโน้นอยากนี่เวลาความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะแล้วจะดีเองแหละงงก็รู้วงงนะ ใจของเขาอยากเยอะหลาพ่าเลยให้ดูใจที่อยากเดี๋ยวก็อยากโน่นเดี๋ยวก็อยากนี้นะก็ทั้งอยากปฏิบัติอยากให้ดีนะอยากได้มรรคผลอะไรเงี้ยใจมันอยากเวลาใจมีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันไปเรื่อยๆอันนี้ยเราทําสติปัฏฐานอยู่แล้วคือจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะดูใจที่อยากนี่แหละมีทั้งวัน เอาคนต่อไปเขาอยากรู้ว่าเขาภาวนาจะสามารถได้ผลไหมครับได้อะไรนะได้ผลอ๋อเนื่อ่าได้ผลได้ผลสิการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างมีผลตั้งนั้นแหละทำชั่วก็ได้ผลชั่วทำดีก็ได้ผลดีนะมีสติก็ได้ผลจากความมีสติคือใจมันจะสูงขึ้นเด้ได้ กิเลสมันจะอ่อนแรงลงพยายามฝึกนะชีวิตมันจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆการกระทำกรรมต้องมีผลของการกระทำแน่นอน น, อ น, นี้เรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วเราอ่ามใจตัวเองให้ออกคอยรู้ไปเรื่อยๆรื่อยเรียกว่าเราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาพอเรารู้เท่าทันใจของเราตลอดเวลานะการดูจิตดูใจมันดูได้สองอย่าง อันหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเช่นมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันโลภโกรดหลงก็รู้อันนี้ดูความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือดูการทํางานของใจเราจะเห็นว่าใจเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดใจเนี้ยวิ่งไปวิ่งมาเราคอยรู้เท่าทันพฤติกรรมของมันดูอย่างนี้ก็ได้อันไหนก็ได้ดูความรู้สึกก็ได้ดูพฤติกรรมของใจก็ได้ล้วนแต่สอนไตรลักษณ์เหมือนเหมือนกัน ไปฝึกต่อไปนะคนนี้ก็ใช้ได้คนต่อไปเขารู้สว่าใจตัวเองมัวมัวอยากจะใจมัวมัวถูกต้องถือว่าเก่งแล้วใจมัวมัวรู้ว่ามัวมัวถ้าต้องเก่งมากกว่านี้ก็คือใจไม่ชอบที่มันมัวให้รู้มันไม่ชอบรู้ทันใจตัวเอง ใจมัวมัวรัวมัวใช้ได้ใจไม่ชอบที่มัวอยากให้หายเนี่ยรู้ว่าไม่ชอบรู้ว่าอยากอย่างนี้ใช้ได้การปฏิบัติที่ดีหมายถึงว่าปฏิบัติที่ถูกเนี่ยไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปจิตมีกิเลสแล้วรู้ว่ามีกิเลสก็ใช้ได้อย่างนี้จิตมัวจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะก็ใช้ได้ รู้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตใจเนี้เป็นของบังคับไม่ได้จิตมันจะมัวเราห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวเหมือนอย่างถ้าเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราะอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายเราก็ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยจิตเศร้าหมองก็รู้ว่าจิตเศร้าหมอง จิตเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆการดูจิตเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับคนจีนนะรู้สึกว่าเหมาะกับคนจีนมากเพราะว่าคนจีนเนี่ยช่างจิตโดยธรรมชาติเป็นคนที่ใช้ความคิดใช้ปัญญาเยอะคนที่มีปัญญามากๆกรรมาฐานที่เหมาะก็คือการดูใจตัวเองถ้าเป็นพวกติดสมาธินิ่งๆนะพวนั้นต้องดูกาย ในส่วนใหญ่คนจีนเนี่ยจะเป็นนักคิดฉลาดนี่พอความคิดเกิดเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกตามมาแล้วมีสติรู้ความรู้สึกไปเลยดูง่ายๆมีให้ดูทั้งวันดีกว่าไปเริ่มจากสมาธิถ้าเริ่มจากสมาธิเนี่ยอยู่ไกลครูบาอาจารย์เกิดมีปัญหาของสมาธิขึ้นมาไม่มีใครแก้ให้ลำบากงั้นเริ่มจากการมีสติ อ่านจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยปลอดภัยกว่านะสมาธิทำนิดๆหน่อยๆแช่ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกวันเวลาเราสวดมนต์มันก็ได้สมาธิขึ้นมาแล้วละ่ะไม่ต้องทำสมาธิลึกๆถึงเข้าฌานนะถ้าผิดพลาดขึ้นมาอยู่ไกลครูบาอาจารย์ช่วยไม่ไหวนะงั้นดูจิตไปนะเหมาะแล้วละ่ะคนจีตถึงเรียนได้เยอะนะเยอะกว่าฝรั่งฝรั่งเนะ่ชอบสมาธิ คิดว่าศาสนาพุทธนี่คือนั่งสมาธิอันนี้น้อยเกินไปคนตอไปเขานี่มาขั้นที่สงเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้กักภาวนาของเขาควรปรับปรุงอะไรครับภาวนาถ้าปรับปรุงนะเป็นเรื่องการทำสมถะนะคอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆ สังเกตหรือเปล่ามาครั้งนี้กับครั้งก่อนใจไม่เหมือนกันนะดูออกไหมใจมันโปร่งโล่งเบามันสว่างมันสบายนะปล่อยให้มันทำงานไปแล้วเรามีสติตามรู้ไปเรื่อยๆเมื่อเช้าหลวงพ่อยังบอกว่าวันนี้คนจีนรุ่นนี้นะคนเก่งๆนะมีหลายคนเมื่อเช้าธรรมะที่หลวงพ่อเทศนะมัน ล, ละเอียด ถ้าหากคนฟังคุณภาพไม่ดีนะธรรมะจะตื้นๆหยาบๆเมื่อเช้าเนี่ยเทศถึงอริยสัจ ส, สี่เป็นธรรมะที่ละเอียดที่ประณีตคนฟังเนี่ยใจต้องพร้อมเนีที่ตรวจกันบ้านมาเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ได้มีบางคนออกที่ฟุง้งซ่านมีไม่กี่คนที่ฟุง้งซ่านอย่างคนใส่แว่นเนี่ยยังฟุ้งซ่านเก่งใส่แว่นใช้แล้วใช้แล้ว อย่างผ้งคิดเยอะอย่าไปคิดมากรู้สึกรู้ทันความรู้สึกให้มากคิดน้อยน้ยรู้ทันความรู้สึกเยอะเยอะแล้วการภาวนาจะดีขึ้นดีขึ้นไหนคนตะกี้นั่งที่ไหนยกมือซิออกคนนี้มันทะลุหลายคนดูยาก รนแต่พวกฟุงๆเท่านั้นเนี่ยคนไทยฟุงทั้งแนวเลยเพราะว่าสบายแล้วไม่เกี่ยวกับเรา <c oughs> <c oughs> ของหนูนะใจมันก็มีแรงขึ้นมานะแต่ว่ามันยังกระจายออกข้างนอกอยู่นะใจรู้สึกไมมใจมไปอยู่ข้างนอกนะให้รู้ทันว่าใจอยู่ข้างนอกนะแล้วก็หายใจเรื่อยๆห้ใจสบายๆไม่ดึงจิตคืนมา รู้ทันว่าใจอยู่ข้างนอกแล้วก็หายใจไปเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายๆไปใจมันจะกลับเข้ามาเองตอนนี้จิตมันไม่เข้าฐานจิตมันไปสบายอยู่ข้างนอกนะไ้แก้ตรงนี้วิธีก็คือหายใจไปรู้ทันว่าจิตไปอยู่ข้างนอกแล้วก็หายใจเล่ น, ลนๆไม่ดึงจิตคืนถ้าดึงมันจะแน่นๆถ้าแน่นๆหยุดเลยนะั้นทผิดละเอาคนต่อไป เขาจเจริญสติอยู่หลายชีวิตประจําวันเอ่ทั้งหนึ่งวันไม่รู้สตัวไม่กี่ครั้งเขารู้สึว่าภาวนาก้าวหน้าชา้าเขาอยากจะรู้ว่าเขาคนฝึกสมาธิเยอะไหมครับหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะเช่นบริกรรมพุโทโธพุโทโธในใจไปเรื่อยๆไม่ต้องออกเสียงพุโทโธพุโทโธพุทโธอยู่ในใจ แล้วเวลาใจมันหนีไปคิดเนี่ยมันจะลืมคำว่าพุโทโธไปเราจะสังเกตได้ง่ายมันไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันจะลืมคิดพุโทโธเพรงั้นเราหัดพุโทโธจนชินนะพอใจไปคิดเรื่องอื่นประเดี๋ยวเดียวมันจะนึกได้ว่าลืมพุโทโธแล้วมันจะกลับมาพุโทโธไหมเพรงั้นทุกครั้งที่ใจหนีไปแล้วเราพุโทโธจนชํานาญเนี่ยมันจะรู้ตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้าใจไม่มีเครื่องอยู่เลย ดูไปเร่อยๆเรื่ยะมันหนีไปแล้วมองไม่เห็นบางทีหนีไปจนถึงตอนเย็นแล้วเพิ่งนึกได้ฉนั้นช้าไปะให้มันหลงแล้วรู้เร็วๆเท่านั้นแหล ะ, ะไม่ห้ามหลงนะหลงได้แต่รู้ให้ไหวน้อยบริกรรมไปมันจะช่วยให้เราหลงไม่นานคนตอบไปเขา มีสงข้อข้อหนึ่งคือเวลานั้นสมาธิเขาสามารถเห็นเออขาที่เจ็บหูสามารถได้ยินเสียงมไม่มีโรคไม่มีโกรธเขาอยากจะรู้ว่าอันนี้เป็นบังคับตัวเองหรือเปล่าครับเขาถามตอนโน้นใช่ไหมหรือตอนนี้คือเออคย เคยรู้ว่าบ่อยจะเกิดสภาวะนี้จะเกิดบ่อยครับเคยมีครับไม่ใช่ตอนนี้ครับหลวงพ่อฟังไม่ค่อยออกว่าเข้าเป็นอะไรนะคือเขาเวลานั้นสมาธิเขาสามารถรู้สึกถึงขาที่เจ็บสามารถหูสามารถได้ยินเสียง ใจเป็นผู้รู้เ อ, อใจเป็นคนรู้ให้ถูกต้องแต่ว่าเวลาเห็นขาเจ็บเนี่ยแยกออกไปอีกขากับความเจ็บก็คนละอันกันนะใจเป็นคนรู้เนี่ยถูกแล้วต้องมีใจเป็นคนรู้ไปเรื่อยเวลาใจรู้กายเนี่ยก็เห็นว่ากายก็ถูกรู้เวลาใจไปรู้ความเจ็บก็เห็นว่าความเจ็บกับร่างกายก็คนละอันกันความเจ็บกับร่างกายเป็นคนละอันนะไปดูให้ดีใจเป็นแค่คนดูแล้วเมื่อไหร สังเกตที่ใจถ้าใจหนีไปหายไปเนี่ยแสดงว่าขาดสติแต่ถ้าใจมีอยู่แต่ใจแน่นๆ น, น, นะแสดงว่าเราจงใจบังคับใจมากไปนะให้มันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงนะแต่ว่าไม่ว่าใจไปรู้อะไรก็สังเกตไปเรื่อๆอย่างไปรู้ร่างกายเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราไปรู้ความสุขความทุกข์ในร่างกายก็เห็นนะสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ร่างกายสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา แล้วเวลาใจเกิดกิเลสอย่างโลภโกรดหลงก็เห็นนระโลภโกรดหลงก็ของถูกรู้นะร่างกายก็ถูกรู้ความเจ็บปวดก็ถูกรู้ความดีความชั่วก็ถูกรู้อะไรอะไรก็ถูกรู้ทั้งนั้นไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวแล้วก็ตัวใจที่เป็นผู้รู้เนี่ยก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปเพ่งไปจ้องนะเนี่ยหันแยกไปเรื่อย แยกกายแยกใจแล้วดูกายดูใจก็ททำงานไปเรื่อยๆก็จะไปได้คนนี้คิดเดยอะไปนิดนึงอย่าคิดเดยอะให้รู้รู้ความรู้สึกของตัวเองไปนะถ้าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมันเดินปัญญาไม่ได้จริงมีใจเป็นแค่คนดูไม่รับสาใจที่เป็นคนดูด้วยนะใจเป็นคนดูก็รู้ใจหายไปแล้วหลงไปแล้วก็รู้ ใจไปปกเนี่ยตอนนี้ใจแอบไปคิดก็รู้ว่าใจแอบไปคิดรู้ทันใจตัวเองไปบ่อยๆแล้วเวลาไปรู้กายก็เห็นกายไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้เห็นความเจ็บปวดเกิดขึ้นก็รู้ว่าความเจ็บปวดก็เป็นของถูกรู้ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจเป็นของถูกรู้ทุกอย่างไม่ใช่เราจิตเองก็เป็นของถูกรู้เดี๋ยวก็เป็นคนรู้เดี๋ยวก็เป็นคนคิด เคลื่อนไหเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราเหมือนกั น, นดูไปบ่อยๆถ้ะคนต่อไปเขาขอถามอีกข้อครับอืมเวลาผู้ขวเวทนาที่แรงๆเขาคือเขาแค่มีหน้าที่ไปดูรู้เอดูมันโรมันหายไปใช่ไหมครับไม่ใช่ดูเพื่อให้มันหายไปดูเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ดูเพื่อแก้นะย่งนั่งแล้วปวดขาไม่ใช่ไปดูเพื่อให้หายปวดแต่นั่งดูเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกคนที่จะดูเวทนาได้ดีเนะี่ยต้องทำสมาธิได้ดีจิตต้องมีสมาธิมากถ้าสมาธิไม่พอแล้วดูเวทนาพอมันเจ็บมากๆนะจิตจะฟุนะ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านเราก็หยุดการดูเวทนาก่อนกลับมาทาสมาธิก่อน ทรรมาิเช่นหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปจิตสงบมีแรงแล้วก็ไปดูเวทนาต่อเวทนาเล่นยากนะดูยากกว่าดูกายดูกายไม่ใช่ตัวเราไปเวลาเวทนาเกิดก็ดูเวทนาไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้เหมือนกันเอาต่อไป ไม่ได้ดูให้เมทนาหายแต่ดูให้เห็นว่าเมทนามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราเอาว่าไปคนนี้เขาอยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูว่าชี้ว่าเขาควรระวังอะไรครับระวังระวังอย่าไปทําผิดศีลเท่านั้นแหละอันอื่นไม่ต้องระวังแล้ ว, ลวก็มีสติรักษาจิตตัวเองไปเรื่อยๆ จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตสุขจิตทุกข์ก็รู้แค่มีสติคุ้มครองรักษาจิตนี่แหละไม่ต้องระวังเรื่องอื่นแล้วลนะระวังอยู่ที่จิตอันเดียวนี่แหละจะทำชั่วหรือจะทำดีก็เพราะจิตดวงเดียวนี้แหละเพราะเรามีสติคุ้มครองรักษาจิตไปเรื่อยๆแล้วการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าชีวิตในทางโลกของเราก็จะสงบสุข สิ่งเดียวที่ต้องรักษาคือใจของเรามีสติรักษาด้วยการมีสติรู้ทันใจของตัวเองรู้ไปเรื่อยใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจโลภใจโกรธใจหลงใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละพอแล้วถ้าเป็นคนไทยนะมีข้อระวังอีกข้อหนึ่งผู้ชายไทยต้องไม่ลบหลู่ภรรยานะ ผู้ชายไทยหากินไม่ค่อยเป็นผู้หญิงหากินเก่งงั้นต้องเคารพนับถืออยู่เอาต่อไปคนอื่นเขารู้สึกว่าใจยันติดกับเพ่งกับรักษาครับบันทีรู้สึว น, น้อยลงยละ <c oughs> เมื่อก่อนเพ่งแรงกว่า น, นี้รักษามากกว่า น, นี้ตอนนี้มันเริ่มคลายนะ้เพราะเรารู้ทันว่าเราเพ่งอยู่รักษาอยู่นะ มันก็จะเริ่มค่อยๆหายสังเกตไหมตอนที่เราเพง่งตอนที่เรารักษานะจิตมันเหนื่อยนะจิตไม่มีความสุขเราปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆนะจิตใจก็จะดีขึ้นดีขึ้นที่ฝึกมานั้นก็ดีขึ้นแล้วละ่ะเพ่งน้อยลงแล้วเอาคนต่อไปเขาอยู่ในชีวิตประจวาวันคือเจริญสติ เราสามารถเห็นจิตที่ไหลไปมก็รู้สึกว่ากัมพาวนามีความสุขมากมแต่ช่วง น, นี้รู้สึกว่ามีอุปสรรคเจออุปสรรครู้สึกว่าใจทุกข์มากอยาจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่ออุปสรรคทางโลกใช่ไหมออย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตนะบางครั้งบุญให้ผลมาชีวิตเราก็ราบริ่น บางช่วงบาปมันให้ผลมาชีวิตเราก็มีอุปสรรคมากตัวสำคัญก็คือรักษาใจของเราไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรารู้เท่าทันใจตัวเองไปใจชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้รู้มันแค่นี้เวลาชีวิตมีอุปสรรคใจไม่ชอบให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบถ้าเรารู้ไม่ทันใจเราจะดิ้นรนมากเลย สมาธิเราก็จะเสียเราคิดแก้ปัญหาไม่ออกแต่เวลาชีวิตมีปัญหานะใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจเราจะเป็นกลางมันจะเป็นกลางเองเพอใจเราเป็นกลางเราก็ใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยไปแก้ปัญหาชีวิตของเราจะทำให้การแก้ปัญหาชีวิตทำได้ดีขึ้นเราอย่าคาดหวังว่าชีวิตเราจะต้องไม่มีปัญหา ชีวิตของทุกคนมีปัญหาขนาดพระพุทธเจ้าบางช่วงก็ชีวิตมีปัญหานะเช่นพระทะเลาะ ก, กันพระพุทธเจ้าห้ามยังไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าต้องออกจากวัดไปอยู่ในป่าไปอยู่กับช้างไปอยู่กับลิงดีไปอยู่กับพระเหลวไหลเนไหมชีวิตท่านยังมีปัญหาอะไรบางทีแต่ท่านไม่เดือดร้อนด้วยหรือว่าท่านเจ็บป่วยอย่างเงี้ยท่านก็ยังมีความเจ็บป่วยท่านถ่ายเป็นเะลือดนะ ไม่สบายนั่นก็เป็นเป็นอย่างที่เราเป็นเพรา ะ, ะั้นชีวิต ม, มีปัญหาเป็นเรื่องปกติแต่ว่ารักษาใจของเราไว้อย่าไปกลุ้มกับมันใจยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้รู้ทันใจยินร้ายไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นให้รู้ทันพอ ร, รู้ทันแล้วใจจะเป็นกลางแล้วคราวนี้เราจะมีสติมีปัญญาไปแก้ปัญหาชีวิตของเราได้ดีกว่าคนซึ่งจิตใจฟุง้งซ่าน คนต่อไปใกล้จะหมดยังยังไม่ได้ตรวจคนไทยเลยอีกห้าคนครับอีกห้าหเลยหรออ้าวว่ามาคนไทยใจเย็ยนเย็นไว้นะเราเรียนง่ายไปดู YouTube หลวงพ่อก็ได้เห็นไหมเราฟังรู้เรื่องเขาฟังไม่รู้เรื่องนะเขาดู YouTube ก็เห็นนะอย่างนี้นะไม่รู้พูดอะไรเราได้เกรยียบเขาเยอะแล้วละ เาขาตอบไปเขารู้สึกว่าเวลาฟังฟังธรรมะฟังครั้งแรกรู้สึกว่าเข้าใจแล้วแต่ไปฟังอีกรู้สึกว่าไม่เข้าใจพ อ, อไม่รู้ว่าภาวนาถูกต้องหรือเปล่าเขาภาวนาถูกแต่อยากคิดเดยอะธรรมะเนี่ยเป็นของแปลกอย่างหนึง่งยิ่งคิดยิ่งสงสัยแต่ให้รู้สึกเอารู้สึกเอาแล้วไม่สงสัยครับ สังเกตออกไหมว่าที่สงสัยขึ้นมาเพราะเราไปคิดเอาทางนั้นนะยิ่งคิดยิ่งสงสัยหัดภาวนานะหัดรู้เอารู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆใจสุขใจทุกข์ใจโลภโกรธหลงอะไรเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆแล้วไม่มีอะไรต้องสงสัยเพราะความสุขเกิดแล้วถือยังไงความสุขก็ต้องดับความทุกข์เกิดแล้วถือยังไงความทุกข์ก็ต้องดับไม่เห็นมีอะไรน่าสงสัยแต่ถ้าเราคิดมากนะการภาวนาจะทํายังไง จะรักษาให้ดีตลอดยังไงเลยคิดมากอย่างนี้นะจิตเสียหมดเลยอย่าไปคิดเอาให้รู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยความสงสัยเกิดจากความคิดคนต่อไปปีที่เราเขารู้สึกว่ากลก็ตึงใจก็ตึงหลวงพ่อให้ให้เขากลับบ้านรงแพลง แต่เขารู้สึกว่าตอนนี้หย่อนไปคือหลงบ่อยครับหลงดีกว่าไม่หลงเลยนะหลงบ่อยดีที่สุดเลยหลงนานไม่ดีหลงบ่อยแสดงว่าสติเกิดบ่อยหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยวันหนึ่งร้อยครั้งพันครั้งนะถ้าหลงหนึ่งทีแต่หลงตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยใช้ไม่ได้งั้นหลงบ่อยๆไว้ดีแล้ว ใจหลงไปแล้วก็รู้ใจหลงไปแล้วก็รู้รู้ไปบหากรรมาฐานเป็นเรื่องอยู่ของจิตไว้นะร้องเพลงไปแล้วใจหลงก็รู้ใจหลงก็รู้คนนี้พอร้องเพลงแล้วใจผ่อนคลายก็ร้องเพลงเอาแต่อย่าไปร้องเพลงที่ทำให้ใจฟุ้งซ่านเนาะร้องเพลงที่สบายใจแล้วก็รู้ทันว่าใจมันสบาย หรือบางทีร้องไปแล้วบางวันร้องเพลงอย่างเดิมมันเบื่อรั่วเบื่อร้องเพลงแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆวันไหนขี้เกียจร้องเพลงก็ท่องพุทโธในใจดีกว่าร้องเพลงสบายไม่ต้องคิดมากเขาดีขึ้นแลังคนเนีุ้กคนต่อไปเขา อ, อย่าให้ หลวงพ่อช่วยดูสภาวะใจของเขาเพราะคำแนะนำจากหลวงพ่อครับต้องดูเองให้หลวงพ่อดูให้เดี๋ยวหลวงพ่อันรล้มักผลอยู่คนเดียวต้องดูของเราเองนะใจเราสุขหรือใจเราทุกข์ใจเราดีหรือใจเราโลภหรือใจเราโกรธหรือใจเราหลงใจฟุ้งซ่านหรือใจหดหู่อะไรคอยรู้ไปเรื่อ ย, ร, อยรู้ก็ไม่ใช่เพื่อจะเอาอันใดอันหนึ่งหรือปฏิเสธอันใดอันหนึ่ง รู้ทุกอย่างอย่างเท่าเทียมกันมันสุขหรือมันทุกข์ก็แค่รู้แล้วสุขกับทุกข์ก็จะสอนธรรมะเท่าๆกันคือสอนว่าเกิดเราดับดีหรือชั่วก็แค่รู้นะแล้วดีกับชั่วก็สอนธรรมะเหมือนๆกันนะว่าทุกอย่างเกิดเราดับถ้าวันใดใจเราเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะความทุกข์มันจะหายไปเยอะเลยมันจะยอมรับความจริงในชีวิตได้ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็จะรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวอย่างในชีวิตเราอยู่ๆชีวิตที่มีความสุขหายไปแล้วกเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าธรรมดาความทุกข์มาได้เดี๋ยวมันก็ไปนะใจก็ไม่ดิ้นรนนะใจที่ไม่ดิ้นรนก็มีความสุข เพรเราคอยรู้ทันใจของเราไปสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วทุกสิ่งทุกอย่างนี้เท่าเทียมกันหมดในการสอนธรรมะเรานะคือมันสอนธรรมะเหมือนกันคนต่อไปเขารู้สึกว่าภาวนาเยอะเยอะขึ้นจะรู้เสอความรู้สึกยิ่ง น, น่าเหยียดมากขึ้น ม, มีขั้นหนึ่งเขาไปไหว้พระที่วัดเขาตะยิง ว่าจริงๆเขาเหมือนมีเสียงบอกว่าเขามีมีชีวิตมีเป้าหมายมีมีหน้าที่อืมเขาอยากจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อก็ชีวิตจะมีหน้าที่นะหน้าที่ของเราก็คือต้องพ้นทุกข์ให้ได้เมื่อเราพ้นทุกข์แล้วเราก็ช่วยบอกคนอื่นต่อทําประโยชน์ต่อในชีวิตของมนุษย์มีหน้าที่สองอันอันหนึ่งทําประโยชน์ของตัวเองคือพ้นทุกข์ให้ได้ เมื่อเราพาวนาเป็นแล้วรู้วิธีแล้วเราก็บอกต่อทำประโยชน์ให้คนอื่นต่อไปชาวพุทธมีหน้าที่สองอานนี้แหลนะงั้นเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆชีวิตเราจะถูกน้อยลงน้อยลงคนนี้ใจโน้มไปทางพุทธิสัตว์นะแบบจีนนะนะใจมันจะออกไปทางนั้นค่อยเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะ ไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปอยู่กับเจ้าแม่กวนอิมนาน <c oughs> คนต่อไปพระครับท่านทาเป็นเป็นันกภาวนาฝ่ายตามอมาวิธอภเพาไปสุดสุววสิบกว่าปีครับ ท่านสุทธวัติไป<ม>สวดสวนมนตม์ตามตามรอยพระออมิถะพระท่านภาวนาสิบกว่าปีครับท่านอยากจะรู้ว่าต่อไปทางคุณภาวนายัางไงครับเราสวดมนต์ไปไม่ใช่เรื่องเสียหายถูกต้องแล้วสวดมนต์แล้วใจเรานึกถึงอมิตถนะใจเรามีความสุขมีความสงบเราได้สมาธิขึ้นมา ตัดจากนั้นเนี่ยรามาดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุของโลกที่เราอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเวลาหนึ่งเราก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ไว้กับโลกใจเราอยู่กับพระไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาร่างกายไปร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวร่างกายนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้อันนี้ฝึกอย่านี้ไป เรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็มาฝึกที่จิตใจบ้างเราจะเห็นว่าจิตใจแต่ละวันนี่ไม่เคยเหมือนกั น, นจิตใจแต่ละเวลาไม่เหมือนกันมันมีความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านแต่ละวันก็ไม่ใช่สงบอย่างเดียวบางทีบางวันก็สงบบางวันก็ฟุ้งซ่านเฝ้ารู้ให้เห็นว่าใจนี่ก็เป็นของเปลี่ยนแปลงดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทั้งกายทั้งใจนะ ส่วนการสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงอริยมิตรพาอะไรนะนั้นก็ถูกแล้วเราจะได้สมาธิขึ้นมาพอได้สมาธิจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยเรามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของโลกเรายืมมาใช้ชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องคืนให้โลกจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เป็นของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลายึดถือเอาไว้ไม่ได้งั้นเราจะไม่หลง เที่ยวแสวงหาความสุขเพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงเราจะไม่เกลียดชังความทุกข์เพราะความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงใจเราจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้เราก็จะไม่ไม่ทุกต่อไปแล้วการที่เราเป็นพระแล้วก็พอเรารู้วิธีที่จะไม่ทุกแล้วเราก็บอกต่อให้คนอื่นเข้าใจต่อเป็นหน้าที่ของพระเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดต่อไปอย่างลําพัง บริกรรมถึงอมิตภาพเฉยๆเนี่ยจะได้สมาธิได้ความสงมบนะเราต้องให้ได้ปัญญาด้วยวิธีดูปัญญาก็คือดูกายดูใจมันทางานจนเกิดรู้ความจริงของร่างกายรู้ความจริงของจิตใจว่าเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มด้วยการบังคับไม่ไดนะ้ถ้ารู้อย่างนี้แล้วใจจะหลุดพ้นออกไปจากก่องทุกได้องค์นี้ ท่านดีนะองค์ที่อยู่ข้างหน้าที่นั่งข้างหน้าท่านภาวนาเก่งแล้วภาวนาดีใจสว่างสบายดีองค์ตับควรตับไปองค์สุดท้ายครับคนสุดท้ายท่านอยู่ในรูปแบบหรือว่าชิวประจํามันท่านจะใช้ร่างกายที่เครื่องไหวเปนวิหารธรรมถูกแล้ว ดูร่างกายเคลื masa, that, Hence, ่อนไหวนะแต่ใจเป็นคนรู้อย่างร่างกายปวาดวัดเนี่ยใจเป็นคนรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนรู้สึกเห็นร่างกายทำงานไปแล้วใจเป็นคนรู้สึกไปเรื่อยแล้วต่อมาถ้าใจเราหลงไปคิดเรื่องอื่นเราจะลืมร่างกายแล้วก็รู้ไวๆว่าตอนนี้หลงไปที่อื่นแล้ว รู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆแล้วเราไปจะพัฒนาได้ของท่านเวลารู้กายนะใจมันจ้องที่กายมากไปนะรู้สบายๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวสบายๆใจเป็นคนดูสบายๆโนะมดแล้วครับโมดแล้วนะองค์นี้ท่านองค์สุดท้ายนะท่านมีจุดออนอยู่อันหนึ่งคือท่านช่างฉิด ท่านชอบคิดมากไปตัวเนี้ทําให้ฟุ้งซ่านนะงั้นเวลากวาดเนี่ยแทนที่จะให้มันคิดสเสสปะสะปะไปเรื่องอื่นนะก็คิดไปเรื่อยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเว ล, ลานั่งอยู่ก็คิดไปเรื่อยเร่อร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นหรอกคิดแต่เรื่องร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ไ ง, งั้นท่านชอบไปคิดเรื่องอื่นนะใจมันคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยสมาธิไม่พอ ให้ไปสวนอมิตรภาคก็ไม่อยู่อ่ะ ใ, ใจไม่ชอบเอา้าต่อไปใครจำเป็นใครจำเป็นจะต้องถามผมฝึกมาจากาแต้มนานหลวงพ่อมาห้าปีนะครับผมเคยเจิตเกิดดับครั้งหนึ่งนะครับในกกาปุบปุ๊บ ผมเห็นจิตวิ่งมาที่หูฝานี่อืมแล้วก็ดับไปแล่อีกตัวหนึ่งก็ไหววๆขึ้นมาบอกว่าเสียงนี้ครับป uh ุกดังแล้วก็ดับไปอีกตัวหนึ่งก็ไหววๆขึ้นมาบอกว่าให้ไปดับนิการนะตัวนั้นก็ดับไปอือีกตัวหนึ่งก็ไหววๆขึ้นมาแล้วก็เห็นร่างกายมันอืมเต็มตัวนะครับผมก็ไปดับอย่างนั้นแหละถ้ามันจะเกิดอย่างนั้นก็ให้มันเกิดไป ถ้ามันไม่เกิดก็อย่าอยากให้เกิดนะถ้าอยากแล้วมันจะไม่เห็นอีกครับแต่ปัจจุบันนี้รู้สึวมันไม่ค่อยพัฒนานะครับใจมันยังฟุ้งซ่านอยู่นะงั้นหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรไปเป็นเครื่องรู้เท่าทันจิตอย่างเราอยู่กับพุโทโธเวลาจิตอยู่กับพุโทโธแล้วมันหนีไปที่อื่นไปคิดเรือื่นเราจะได้รู้เร็วๆนะสมาธิยังไม่พอนะใจมันฟุ้ง หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วรู้ทันจิตไม่ได้บังคับจิตว่าต้องอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมตลอดนะเย่างเราหายใจไปงี้แล้วจิตมันหนีไปเราค่อยรู้ทันนะฝึกอย่างนี้นะเราสมาธิจะได้เพิ่มขึ้นแล้วมีการเพ่งอะไรหรือเปล่าครับอย่าไปกลัวครับ <Okay. S 1> ปล่อยให้จิตมันเคลื่อนไหวล้วก็รู้เอาไม่เพ่งหรอกแต่ถ้ากลัวมันจะเคลื่อนไหวนะอันนั้นอะไรจะเพ่ง <Okay. S 1> ปล่อยให้มันเคลื่อนใจถ้ากล้า แต่เราอยู่กับกรรมฐานของเราไปแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เดี๋ยวไปห้ามเคลื่อนถ้าห้ามเคลื่อนมันจะเพ่งของคุณไม่มีปัญหามากมันแค่ใจมันไม่มีสมาธินะ่ะสมาธิน้อยไปนิดนึงว่าไงเอาย่ อ, ยอ ค่ะมีสองคำถามค่ะอหนูได้รับการผ่าตัดนะคะแล้ว ร, ระหว่างผ่าตัดก็ภาวนาไปเออหมอก็สังเกตว่าเหมือนจะวิตกหมอก็เลยให้ยานอนหลับะคะ่ะก็ภาวนาไปแล้วก็สักพักนึงก็รู้สึกว่าเหมือนหมอเขากําลังเย็บแผลคะ่ะแล้วก็ทําความสะอาดก็เลยว่าอ้าวไม่หลับไม่หลับหรอกคะ่ะก็เลยมีโอกาสได้ถามหมอใหญ่ก็หมอใหญ่ก็บอกว่าอ๋อสงสัยยาไม่ดีอะคะ่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจว่า แล้วมันเจ็บเป่าออตอนนั้นนะไม่ไม่เจ็บค่ะเพราะว่าใช้การบล็อกหลังหมอเขาทําดีแล้วแต่ว่าเออคือมันไม่จําเป็นต้องหลับร้อยเปอร์เซ็นตเนี่มันไม่เจ็บก็โอเคแล้วอ๋อก็คือนึกว่าหนู ม, มีสติแล้วก็ <c oughs> มีสติก็เจ็บนะไม่ใช่มีสติแล้วไม่เจ็บค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วครั้งที่สองค่ะตอนเป็นไข้ไข้ขึ้นนะคะ <c oughs> อืมเออ ก็เห็นว่ามันร่างกายสั่นแล้วก็ใจก็เข้าไปจมอยู่กับความสันออ่นเขาก็มาเลยมาดูว่าอลองลองไม่เอาใจไปจมอยู่กับความทุกข์กายอะค่ะก็เห็นว่าเขาแยกเออท่องอย่างนั้นแหละเห็นนั้นแหละเรียกว่าภาวนาค่ะก็เลยหนูก็ตอนแรกก็เลยสงสัยอะค่ะว่าหรือเป็นเพราะเรากินยาไปก่อน <c oughs> แล้วก็เลยมันก็เลยแยกจนหลับอะค่ะก็ตื่นมาก็เลยสงสัยค่ะไม่ใช่หรอกจากตอนนี้ไม่ไม่ได้กินยามันก็แยก ใช่เปล่าล่ะเห็นไหมว่าขันมันแยกมันแยกเป็นแล้วเพราะั้นมันรวมก็รู้มันแยกก็รู้นะไม่ใช่เรื่องของยาเห็นการทำงานของจิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะแล้วก็ฟังซ่านช่วงหลังนี้เห็นโทสะ ค่อนข้างบ่อย<ด>เห็นความไม่พอใจความไม่ชอบไม่พอใจออแต่คิดเยอะคิดเยอะอยปัญหาเยอ ะ, อะคิดเท่าที่จำเป็นก็แต่สามารถจ ะ, ะสวดมนต์ในระหว่างวันบางครั้งก็บริกรร ม, มเห็นแล้วก็กลับมาที่ทำอยู่ถูกนะจิตใจก็พัฒนาจิตใจมีความสงบสุขขึ้นรู้สึกไหมทำถูกแล้ ว, ลวทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆ ก็อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําการปฏิบัติค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องมีอะไรที่ต้องพัฒนาหรือว่าปรับปรุงบ้างค่ะให้รู้ทันใจที่อยากได้ผลรู้ทันใจที่อยากไว้มันยัมีความอยากซ่อนอยู่ดูออกบ้างไหมมันอยากดีค่ะนะอยากจะไม่ทุกข์อยากจะดีอะไรเงี้ยรู้ทันใจที่อยากไปนะไม่งั้นใจมันจะดิ้นรน จะกุงสร้างให้รู้ทันใจที่อยากใจมันจะสงบสุขขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆที่ฝู่ยังใช้ได้นะนแต่ว่ามันมีความอยากแทรกอยู่เท่านั้นนะมันจะทำให้เราดิ้นรนก็อยู่ข้างหน้านี้ยังติดเพ่งอยู่นะยังติดเพ่งนรัลกษาจิตไว้เนี้ย รักษาไว้ตลอดเวลาไม่เอาทำอย่างนี้มันไม่พัฒนาหรอกมันเหมือนสบายนะแต่สังเกตไม่ใจเราไม่เป็นธรรมชาติมันดันเอาไว้นะเจ้าค่ะเอ่อมากราบนมัสการเจ้าค่ะมาครั้งแรกเป็นลูกศิษย์ทางยูทูบปฏิบัติได้เก็ดเดือนเจ้าค่ะ อ, อือถ้าเจ็ดเดือนทำได้อย่างนี้ก็เก่งนะ แต่ไปเลิกซะเรื่องนึก อ, ออกไหมรเราเราตั้งท่าปฏิบัตินเราทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลิกซะให้เป็นคนธรรมดาคนธรรมดานะจิตใจมันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดีกว่านิ่งอย่างนี้มีแต่ความสุขนิ่งเฉยๆอย่างนี้ไม่ดีไม่เห็นใ จ, จรัก อันดีการบ้านใช่ไหมเจ้าพระพจนต้องกลับเยอรมันแล้วก็ไม่ได้มีเวลาดูแต่ยูทูบถ้าสงสัยก็ดูยูทูบไปนะแต่กลับตรงนี้นิดเดียวอย่ารักษาจิตชอบรักษาจิตไว้ให้นิ่งๆปล่อยซะปล่อยให้ทำงานได้เท่านี้นะพวกที่เหลือเป็นไปตามกรรมไปถามผู้ช่วยสอนนะ